ตอนโลกอยู่ในธรรมธรรมอยู่ในโลกวันที่19กรกฎาคม2558กาบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีการยมิตรทุกท่านก็นั่งสบายๆเนอะก็เป็นทุกคืนวันอาทิตย์พระครูก็มีคำถามบ้าง ก็มีสิ่งที่จะพูดบ้างคำถามแรกนะสันตติมีประโยชน์ในแง่ของการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวข้องกับความเร็วของการเกิดขึ้นและดับไปของอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดหรือไม่อย่างไรสันตติเนี่ย มันคือแรงแห่งเคาแห่งความสืบต่อของการเวลาคําว่ารูปนามมันเกิดดับเนี่ยมันใช้พลังอะไรเกิดพลังอะไรดับกระแสกรรมเนี่ยมันใช้พลังอะไรที่ทําให้มันดําเนินนะเหมือนน้ํานี่ไหลลงที่ต่ําอาศัยแรงดึงดูดของโลกลงไปที่ต่ําทีนี้อารมณ์เราเนี่ยรูปนามเวลามันเกิดมันดับนะอย่างตัวสันติในตัวเราเนี่ย ยกตัวอย่างเราจับตรงนี้นะเราได้ยินหัวใจเต้นตึ๊บตึ๊ บ, บที่พวกเราเรียกตัวตึ๊บตึบนะตัวสัน ต, ติมันเป็นพลังงานของจิตอย่างหนึ่งมันคือพลังงานของธรรมชาติอย่างหนึ่งของจักรวาล น, นี้อย่างหนึ่งเราสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองแต่เราจะไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะไปควบคุมเขาได้ เหมือนบางครั้งชีวิตเราเนี่ยสเสม็นตาซ้ายสเสม็นตาขวาอะไรสะเสมน็นเนาะเอาเป็นว่ามันคือพลังงานอย่างหนึ่งมันมีหน้าที่จิตเราเวียงเราเราอดีตชาติได้ก็ต้องพึ่งพาพลังสันติตัวสืบเมืองของการเวลาและกระแสกรรมเนี่ยนะมันก็ตามจิตมาเนี่ยแหละแล้วจิตเนี่ยใช้พลังอะไรที่ที่มา นะเหมือนจรวดเนี่ยเราจะวิ่งขึ้นไปเราจะยิงขึ้นไปบนดาวอังคารเราต้องมีพลังงานขับเคลื่อนมันจิตก็เหมือนกันเมื่อจะจิตออกจากร่างนี้ไปสู่ร่างใหม่ก็ต้องอาศัยพลังตรงนี้มันก็คือถ้าในตัวเราเรียกว่ามันเป็นรับ เ, เป็นพลังงานของจิตอย่างหนึ่งตัวสัญติแต่สัญติใหญ่นะขับเคลื่อนวัตะสงสารนะขับเคลื่อนกระแสะกรรมมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะ เป็นแรงแห่งความสืบต่อของการเวลาเราไปอนาคตได้นะก็อาศัยพลังสันติตัวนี้แหละเนาะไปสืบต่อของการเวลานะสันติเกิดดับเร็วมากก็เท่ากับหนึ่งวินาทีของโลกเท่ากับเสียงหัวใจเต้น ต, ตึหัวใจเต้นนี่ต้องอาศัยพลังสันติตรงนี้มันถึงเต้น เวลาคนตายแล้วเนี่ยเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วเนี่ยไม่มีพลังงานและหัวใจเลิกเต้นรีบผ่าตัดเอาหัวใจที่มันไม่เต้นแล้วเนี่ยไปให้อีกคนอื่นที่หัวใจเขาล้มเหลวมันเต้นขึ้นมาอีกเพราะในร่างกายเขาเลยเนี่ยมีตัวสันจิตเขาคือพลังงานของจิตอย่างหนึ่งนะท่าในตัวเราก็อย่างเราดูภาพยนตร์เนี่ย เราเห็นผู้ร้ายเนี่ยเอาปืนยิงพระเอกเราเห็นคล้ายๆว่าเป็นภาพเดียวจริงๆแล้วในภาพเดียวนั้นเ น, นี่ยมันซ้อนกันอยู่เป็นหลายร้อยภาพเร็วมากมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันต่อกันเป็นภาพเดียวถ้าสติเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราคิดว่าเป็นภาพเดียวรูปนางเหมือนกันมันเกิดดับเร็วมากถ้าสติเราไม่รู้เท่าทันเราก็ไม่เท่าทันตัวสัญจติ สัญจติคือตัวสืบเมืองของการเวลาระหว่างอดีตมาปัจจุบันไปสู่อนาคตเราเ ล, ลือกชาติได้เพราะตัวนี้เราไปสู่อนาคตได้ก็พลังตัวนี้มันอยู่ที่ความพลังบริสุทธิ์ของจิตจิตทุกดวงจิตเดิมแท้เป็นพระพัสดุแต่ตอนนี้มันเปื้อนแล้วมันถูกบวงอะไรดึงไวเ้เต็มๆเลยนะพลังสัสญญตริเราเนี่ยก็ถูกกดทับไว้ เราเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งเราปลดปล่อยความเปื้อนขัดเกลาจิตให้ผ่องใสพลังจิตเราก็ฟื้นฟูขึ้นมาเราจะไปอดีตก็ได้ไปอนาคตก็ได้นะก็สันสติมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติดับมันไม่ได้นะเรามีหน้าที่รู้เท่าทันมันนะที่เขาบอกว่าสัสติกั้นบังอนิจจงที่เราไม่เห็นความไม่เที่ยงของมันเนี่ยนะ ที่เราไม่เห็นความไม่เที่ยงนั้นเพราะเราถูกตัวสัญจติเนี่ยมันเร็วมากเนี่ยเราเห็นภาพเดียวจริงๆแล้วมันหลายๆภาพซ้อนกันนะมันเกิดแล้วมันดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับเราเห็นเป็นว่ามันเกิดตลอดเวลาเพราะสัญจติมันเร็วมากวิธีจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นเกิดดับเราต้องมีสติที่เร็วกว่านะเร็วกว่าสัญจติรู้เท่าทันสัญจติเราก็เห็นความไม่เที่ยง มันเกิดมันก็ดับแต่ตอนนี้เ้าด่าเราปุ๊บเสียงด่านี่คือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามนะปกติรูปเกิดเราได้ยินเสียงมันามันก็ดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดสัญญาที่บันทึกไว้ว่าไม่ชอบถูกด่า ก, ก็ตื่นขึ้นมันสืบเนื่องเร็วมากนะไอ้ขันห่านนี่ก็ต้องอาศัยพลังสัญจตินี่ปรุงขึ้นมาเมื่อสัญญาเกิดมันบอก มันไม่พอใจสังขารเกิดมันคิดปรุงแต่งและเธอด่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้ฉันต้องด่าเธอไปคืนภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยขันห้าปรุงเรียบร้อยแล้วมันต้องอาศัยพลังสันติทีนี้เราฝึกสติเราเจริญสติเราเร่งสตินะเพื่อให้สติรู้เท่าทันสันติเราก็เห็นมันเกิดมันก็ดับต่อไปเ้าด่าเราปุ๊บกระทบหูปุ๊บดับจบรูปเกิดแล้วก็ดับ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปุงต่อไปไม่ได้ขันห้าปุงไม่ได้วัตตสงสารก็หยุดนะตัวสันตินี่มันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะของจักรวาลของธรรมชาติแต่อยู่ในร่างหลับๆมันก็เป็นพลังงานส่วนหนึ่งของจิตเราทําให้ความมีชีวิตเกิดขึ้นก็เราต้องรู้เท่าทันสันติสันติดับมันไม่ได้มันมีหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ เรามีหน้าที่รู้เท่าทันมันนะสันติกันบังอนิจจังคนะณะสัญญากันบางอนัตตา น, ะอ น, นีอันนี้ข้ามไปอริยบทกันบังทุกขงังนะทำไมเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่เห็นอนิจจังเพราะเราถูกตัวสัสตนติมันกันบังมันเร็วมากนะถ้าเราไม่มีสติที่เร็วกว่าเราไม่รู้ไม่เห็นเท่าทันมันนะ ขันห้ามันปรุงอยู่เรื่อยถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันสันติแล้วเนี่ยมันก็เกิดมันก็ดับมันปรุงต่อไปไม่ได้ส่วนคณะสัญญาเนี่ยไม่ใช่อริยาบทกั้นบังทุกขังเวลาเรานั่งอยู่มันเมื่อยมันเจ็บนะกาลังจะทุกข์เพราะมันเจ็บเราก็เปลี่ยนอริยบทใหม่เอายืดขาออกไปเดินเล่นนะเห็นไหม อริยบทเนี่ยกั้นบังทุกขงังทำให้เราไม่เห็นทุกข์นะไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมชีวิตเราเนี่มันร้อนเปิดแอร์เราเปลี่ยนที่หมดเปิดแอร์มันเบื่อออกไปเที่ยวเราหนีทุกตลอดเราจึงไม่เห็นธรรมนะอริยบทกั้นบังทุกขงังทำให้เราไม่เห็นไม่เห็นทุกขังกนะ็คือว่าเห็นความดำรงอยู่ได้ยากถ้าเกิดเรานั่งไปมันเจ็บก็เจ็บเถอะ เราไม่หนีสักพักหนึ่งเราก็เห็นในความเจ็บนั้นมันก็เป็นทุกขังคือมันดำรงอยู่ได้ยากเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ทุกวันนี้เราหนีมันตลอดเราจึงไม่เห็นทุกขังเราจึงไม่เห็นธรรมนะคณะสัญญากั้นบังอนตัตตาเขาตั้งชื่อให้เราชื่อบัญชานะหนึ่งสัญญานี่พ่อนี่แม่นะสองสามสัญญานี่เงินนะนี่รวยนะนี่ชนะนะนี่มีความสุขนะใส หลายสัญญากลายเป็นคณะขึ้นมากลายเป็นอัตตาอั น, นี้กั้นบังทําให้เราเข้าไม่ถึงอนัตตาสามสิ่งนี้เป็นสิ่งขวางกั้นที่ทําให้เราเข้าไม่ถึงกฎพระไตรลักษณ์ลักษณะสามประการของธรรมรชาติก็เมื่อถามมาแล้วก็ตอบเลยไม่ใช่สันตติอย่างเดียวนะมันมีอริยบทมันมีคณะสัญญาทําให้เราเข้าไม่ถึงกฎพระไตรลักษ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นสิ่งสมมุติดวงจิตเท่านั้นคือสิ่งแท้ดังนั้นขอรบกวนถามว่าบิดามารดาบัมรพบุตที่ล่วงลับเมื่อดวงจิตออกจากร่างเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านยังจะได้รับหรือไม่และจะไม่เป็นการไปยึดเหนี่ยวดวงจิตท่านไว้หรือ เราควรคิดและปฏิบัติอย่างไรคะอันดับแรกก็ไม่ต้องคิดนะปฏิบัติตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ประเพณีวัฒนธรรมของไทยของลาวของเขเมรเวียดนามจีนก็พวกตะวันตกฝรั่งก็ไม่เหมือนกันนะประเพณีเนี่ยเขาทำเพื่อคนอยู่คนที่ยังไม่ตายนะ อย่างนี้น้อยว่าเออเขาตายไปแล้วเราทําบุญเลี้ยงพระเราทําพิธีสวดมนต์สวดอะไรหน้าศพแล้วก็ช่างเนี่ยนะมันเป็นอุบายเป็นเทคนิคที่ทําให้คนอยู่เนี่ยนะออแสดงออกถึงความกตัญอยู่รู้คุณส่วนเราทําบุญแล้วเนี่ยจิตที่ออกจากล่างเนี่ยเขาได้รับหรือไม่ได้รับคําตอบคือถ้าบอกว่าได้รับเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าบอกว่าไม่ได้รับก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้าเป็นเปรตอสุรกายในยปากมันเล็กมาก นะเท่ารูเข็มให้อะไรมันก็กินไม่ได้เหมือนในทางโลกเนี่ยถ้าเราทำผิดคดีแบบอุกชะกันเลยล่ะขังลืมไม่ให้เยี่ยมตัวอย่างนี้นะแล้วแต่กฎแห่งกรรมส่วนเราทำบุญแล้วเนี่ยเราละได้เราก็ได้ให้ส่วนเขาจะได้รับหรือเปล่าเป็นกรรมของเขาเป็นบุญของเขาอุบายวิธีต่างๆทำเพื่อให้คนอยู่นี่ได้ทำแต่ไม่ใช่ว่า ทำบุญเฉพาะให้พ่อฉันแม่ฉันนะเพราะเรารักเขาเราก็ได้พ่อได้แม่ยังมีตัวกูของกูพ่อกูแม่กูอยู่อันนั้นบุญแคบมากบุญซึ่งแฝงด้วยอามิต h มันไม่ใช่สุญญาตาทานมันเป็นบุญซึ่งยังไม่บริสุทธิ์นะแล้วอาศัยเออกระตันญูรู้คุณผู้บังเกิดกล้าเขาจากไปแล้วโอเคฉวยโอกาส ใช้โอกาสที่เขาจากไปแล้วก็ทําบุญให้สรรพสิ่งทั้งหมดนะให้ทั้งหมดให้ทั้งหมดแล้วเนี่ยไอ้ที่ได้รับก็รับไปไอ้ที่ไม่ไรับก็เรื่องของเขาแต่เราได้ทําแล้วจิตมันบันทึกว่าเราได้ให้แล้วอันนี้เรียกว่าสุญญาตาทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทานซึ่งไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้ไม่จ่อจงนะเราทําทานเนี่ยเพื่อทําลายอัตตาทําลายความโลภความตณีของเรา ทำลายอัตตาเรื่องตัวกูของกูพ่อแม่กูพ่อแม่มึงนะมดหมอดแต่ละตัวนั้นไม่มีแมแต่หนึ่งตัวในอดีตไม่เคยร่วมชีวิตกับเราผู้เจ้าจึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกแต่อันนี้เราทำบุญเฉพาะให้คนที่เรารักยังมีอามิตรอยู่มันมีอัตราตัวตนนะ แต่ก็ในทางโลกเนี่ขาถือว่าเป็นอุบายที่ทำให้เราแสดงออกถึงความกระตันญยูรู้คุณก็ได้ในแง่ประเพณีแต่ถ้าในแง่บุญจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์บุญซึ่งมีอามิ t h นะเป็นการทำบุญเพื่อเสริมอัตตาไม่ใช่การทำบุญเพื่อลดอัตตาบุญที่ดีที่สุดคือบุญคือเบา ทานที่บริสุทธิ์ที่สุดคือไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้สักแต่ว่าให้ให้หมดเลยนะไม่ใช่ให้เฉพาะคนนั้นคนนี้นะอันนั้นมันมีอามิ t h มันมีเป้าประสงค์เหมือนเราบอกว่าตายแล้วเกิดเราบอกว่าตายแล้วดับเราบอกตายแล้วเกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเราบอกตายแล้วดับเป็นมิจฉาทิฏฐินะ เพราะว่ามันไม่ได้สู่สมเด็จว่าตายแล้วดับจริงๆตายแล้วเกิดจริงๆบางคนต้องเกิดบางคนไม่ต้องเกิดอีกแล้วเมื่อบรรลุธรรมขั้นสูงนะมันไม่ใชสู่สมเด็จแบบวิทยาศาสตร์ว่าทุกคนต้องเป็นแบบเดียวกันนะอันนี้หละคือมันมันไม่เหมือนกันมันถึงตอบไม่ได้ว่าทำบุญแล้วเขาได้รับหรือไม่ได้รับโดยเฉพาะถ้าทาบุญให้พระพุทธเจ้านะ พระ อ, องค์ไม่ต้องการส่วนบุญจากของเราหรอกนะเราถูกเขาหลอกนะผู้เจ้าทําไมต้องเอาบุญจากพวกเราละ่ะแต่เขารู้ว่าเราเคารพเราศรัทธาผู้เจ้าถ้าไม่บอกอย่างนี้เราก็ไม่ยอมทำนะไม่ต้องถ้าผู้เจ้าได้ยินพระบอกว่าผู้เจ้าบอกว่าทําบุญให้คนยากจนนนนนให้คนอื่นทําไมต้องให้พระองค์เราเลือกจะทําบุญแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราดีใจ เพราะเราไม่เข้าใจว่าบุญมันคืออะไรบุญคือเบาบาปคือหนักบุญคือการทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานทานคือจาคะคือสลัดความโลภความตณีออกมันเป็นอุบายวิธีในการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสอย่างหนึ่งถ้าทำบุญตามบุญน่ะมันไม่ใช่บุญมันเป็นกิริยาในการทำบุญเฉยๆมันเป็นบุญกิริยาแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยมันมีอามิ t นะ ทำบุญก็คือล้างให้มันสะอาดโยนความโรคความตันีออกนั่นคือเป็นบุญจริงๆนะก็เรื่องจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่จาเป็นต้องไปรู้หรอกเขารับได้ไม่ได้รับนะแต่เราได้ทำก็ทำไปนะเราได้ทำแล้วเราได้ทำเราได้ให้จบส่วนเขาได้รับไม่ได้รับมันเป็นกรรมของเขาเป็นบุญของเขา ไม่ต้องระบุจะทำบุญกับใครให้หมดก็ต่อไปคือธรรมะคืออะไรเกี่ยวกับศาสนาอย่างไรและอีกคำถามหนึ่งสองคำถามนะพราะกูจะเอาลวงกันหมดทุกคนอยากมีอนาคตซึ่งมีความสุขแล้วความสุขคืออะไร สองคำถามนี้เนี่ยคือถ้าเราจำได้อัติติแล้วพวกผู้พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์กับศาสนาสองคำถามนี้เหมือนแยกทางโลกกับทางธรรมนะก็จะตอบรวมๆกันธรรมคืออะไรเกี่ยวกับศาสนาอย่างไรแล้อีกคำถามหนึ่ง อันนี้เรื่องขำามเรื่องทางธรรมาศาสนาทุกาศาสนาเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องจิตวิญญาณเน้นเข้าไปที่ความรู้สึกแปลกมากคําถามนี้มันแยกเหมือนว่าทางโลกกับทางธรรมส่วนอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงวิทยาศาสต ร, ร์กับาศาสนาเอาเป็นว่าทางโลกตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนถูกสอนให้คิดแบบวิทยาศาสต ร, ร์โดยไป ค้นหาวิจัยเรื่องพลังงานเรื่องวัตถุเรื่องรูปธรรมนะแล้วก็ศาสนาเองเน้นให้เป็นเรื่องจิตวิญญาณนะกลายเป็นว่าเป็นแยกขั้วนะและทําไมทำมาตอนนี้ศาสนาทุกวันนี้กลายเป็นแค่วิชาการนะจริงๆแล้วศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วิชาการมันไม่ใช่วิชาเรียนวิชาสอนกัน โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของต้องต้องแยกก่อนระหว่งางศาสนากับธรรมะมันเกี่ยวพันกันยังไงนะาศาสนาเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อชี้ทางให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะวิจัยให้รู้ความจริงธรรมชาติเหมือนกันจริงๆแล้วเป้าหมายเดียวกันแต่บังเอิญว่าที่อาทิตย์ที่แล้วพ่อคุณสรุปอย่างนี้ว่า วิทยาศาสตร์เนี่ยต้องการวิจัยเป็นรูปธรรม ท, ทดสอบได้พิสูจน์ได้โดยรูปธรรมกลายเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ปฏิเสธนามมารมเห็นไหมรูปนามรูปนามเกิดดับเราแค่รูปธรรมเราปฏิเสธนามมารมก็เลยกลายเป็นแข็งทื่อที่ผู้ครูสรุปว่าถ้าความรู้เราแค่นี้สมว่าเราเรามีกายกับจิตเรากายอย่างเดียวเห็นไหมแต่เราไม่เอาเอาจิตด้วยถ้าไม่เอาจิตด้วยความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้ นะวิทยาศาสตร์วิจัยเรื่องรูปประธรรมอย่างเดียวไม่เอานามประธรรมถ้าเป็นอย่างนี้พ่อครูสรุปอาทิตย์ที่แล้วว่าเหมือนคนขาขาดมีครึ่งตัวส่วนศาสนานี่ถ้าเน้นจิตวิญญาณอย่างเดียวนะแล้วไปติดพิธีกรรมเอาจิตวิญญาณอย่างเดียวนะแม้กระทั่งฝึกจิตไปทรมานสังขารเจ้าชายจิตรัตถธรรมมาแล้วนะ ทุกจีริยาทรมานสังขารอยู่หพันษานะไปไม่รอดเอาจิตอย่างเดียวทรมานสังขารก็เอาไปไม่รอดถ้าศาสนาเนี่ยเน้นแต่เรื่องจิตวิญญาณอย่างเดียวไม่ศึกษาเรื่องกายด้วยเพราะเราต้องดำรงอยู่ใช่ไหมไม่ศึกษาแบบมีเหตุผลแบบตรรกะแบบวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ย ถ้าศาสนาแบบนี้เปรียบเสมือนคนตาบอดหลงงม ง, งายนับถือแบบหลงงม ง, ง, งายเราสรุปอย่างนั้ น, นเอาตอนนั้นมาเชื่อมโยงกับอาทิตย์นี้ก็กลายเป็นว่าทางโลกกับทางธรรมจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วทางโลกตอนนี้เราคิดแบบวิทยาศาสตร์หมดเราเอาเพราะวัตถุทุกคนตั้งเป้าชีวิตก็คือว่าเล่นเก่งๆหาเงินเยอะๆ เมื่อรวยแล้วจะมีความสุขเขาจึงถามว่าอนาคตทุกคนต้องการมีอนาคตซึ่งมีความสุขแล้วเ็าถามว่าแล้วความสุขจริงๆมันคืออะไรอันนี้คือเป็นโจทย์ ก, ก็ดีมากนะอันนี้คือทางโลกเขาต้องการความสุขแต่ถ้าในทางธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการความสุขเราต้องการความพ้นทุกข์ถ้าศาสนาจริงๆ ไม่ใช่ศาสนาแบบทุกวันนี้เอามาเป็นแค่วิชาเรียนวิชาสอนท่องจําเพื่อจะได้เป็นด็อกเตอร์จะได้เป็นโน่นเป็นนี่ไปเพิ่มาะลาดยศเสนอเสริญศาสนาจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเมื่อคืนเราเปิดภาพยนตร์นะพระพุทธเจ้ามห า, าศาสดาโลกคําว่ามห า, าศาสดาเนี่ยพ่อกูว่าสมควรแล้วยิ่งใหญ่มากนะวันที่พระองค์ตัดสูตรธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ อุทานออกมาเลยว่าเราคือพุทธเราคือศาสนาใช่ไหมศาสนาคือใครศาสนาคือความรู้ปัญญาที่พระองค์มีนะที่พระองค์จะมาให้เรานั่นแหละคือตัวศาสนาแต่ตอนนี้ศาสนามีโครงสร้างศาสนามีรูปแบบของศาสนามีประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาก็ไม่ได้ผิดมันเป็นแค่อุบายวิธีในการอยู่ร่วม แต่ทําไปทํามาไปหลงอุบายวิธีเหล่านี้นะที่พ่อครูบอกบ่อยๆว่าศาสนาตอนนี้จริงๆแล้วเหมือนต้นไม้แล้ต้องมีเปลือกกับพีมีแก่นด้วยแต่ตอนนี้เอาเปลือกกับพีไม่เอาแก่นเลียนเก่งๆจะแสดงความรู้กันเพราะความรู้ทุกวันนี้มาในรูปของภาษารูปของวิชาการประเมินได้ว่าเธออ่านหนังสือไหมเธอจํำไห อ, อจําแล้วเธอสอบผ่าน ประเดียนึงประเดียสองประเดียนสามประเดี๋ยสีย 9, ปย่ประเดี๋ยนเก้าปริญญาโทปริญญาเอกมันวัดได้ไงทุกคนก็มุ่งเรียนหาความรู้แบบนั้นศา ส, สนาเลยกลายเป็นแค่วิชาการจริงๆแล้วเนี่ยศา ส, สนาจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นศา ส, สนาไม่ใช่วิชาเรียนวิชาสอนนะโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยนะ พระ อ, องค์ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีพระ อ, องค์ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วเป็นนี่คืออัตตานะเป็นเน่เป็นคนดีก็ทุกข์เพราะเขาว่าเราไม่ดีเราก็ทุกข์แล้วเรามีอัตตาว่าเราเป็นคนดีแล้วพระองค์ก็ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วพระ อ, องค์สอนให้เราพ้นทุกข์สถานเดียวแต่ตอนนี้ศาสนาเราเป็นแค่วิชาเรียนวิชาสอนเพื่อลาบยศสรรเสริญนะ มันก็ไปขัดแย้งกับความเป็นจริงซึ่งศาสนาจริงๆนะโดยเฉพาะไอ้คาว่าธรรมะเนี่ยธรรมะไม่ใช่วิชาธรรมะก็คือความจริงธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะไม่ใช่วิชาเรียนวิชาสอนแล้วก็ศาสนาที่เขาตั้งขึ้นมาทุกๆศาสนาอนะ เพียงแว่าเออเราเจาะลึกศาสนาพุทธเราว่าเขาตั้งศาสนานี้ขึ้นมาทําไมเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคําสอนพระเจ้าและอะไรคือคําสอนพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าพิ่งเชื่อตําราอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าเพิ่งเชื่อที่ทําตามตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อคําเล่าขานพระองค์บอกว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต นี่คือคำสอนพุทธเจ้าแต่เราทำตามไหมไม่เราทำตามทุนนิยมวัตถุนิยมมุ่งเพื่อสร้างอนาคตให้มีลาบยศเส ร, รสิญแต่เอาคำว่าศาสนาเนี่ยมาเป็นบันไดเดินไปจุดนั้นเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าถึงธรรมธรรมคืออะไรในร่างกายเราเนี่ย มีความจริงอย่างเดียวเท่านั้นมีธรรมอย่างเดียวเท่านั้นคือจิตส่วนอย่างอื่นนี่ดินน้ำลมไฟเนี่เป็นธาตุสี่เป็นส่วนประกอบที่ผสมกันเนี่ยเกิดความเป็นร่างกายขึ้นมาต้องอาศัยจิตวิญญาณเนี่ยพลังจิตตัวสัญจติเนี่ยทำให้หัวใจมันเต้นทำให้ชีวิตเกิดขึ้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นธรรมคือเห็นจิต จิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธจิตเป็นตัวหลุดพ้นไม่ใช่ลาภยศสรรเสริญไม่ใช่ตําแหน่งอะไรทั้งนั้นแต่ตอนนี้เราอาศัยศาสนาเนี่ยมาเป็นทางผ่านเพื่อเรียนให้มันเก่งๆเพื่อได้ตําแหน่งลาภยศสรรเสริญมันจึงไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริงและเราก็ไม่มีวันเห็นธรรมะเราเห็นแต่วิชาการ ธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะถ้าเราเข้าไปในจิตเราเข้าถึงธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นอนิจจังทุขังอนัตตามันไม่ใช่ตัวตวนที่แน่นอนอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นละ่ะแล้วเราจะไปยึดอะไรแล้วพอเราเข้าถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะถูกฆ่าตายใครหลงเข้าไปถึงตรงนั้นเราจะถูกฆ่าตายทันทีเลย อัตตาตัวตนเราจะถูกทำลายทันทีเลยเมื่อตัวเราไม่มีละ่ะใครจะไปหลงธรรมะใครจะไปยึดธรรมะนี่นแหละผู้เจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมพุทนั้นน เ, นเราตถากฎแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าตัดสู่สิ่งนั้นคือความจรงิงแต่ความจริงนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้ที่พระ อ, องค์เป่งออกมาเนี่ยเป็นคําสอนบางอย่างที่บันทึกไว้เนี่ยเป็นแนวทางแต่ในคําสอนนั้นก็บอกแล้วอย่าเพิ่งเชื่อตําราไง แต่ตอนนี้เราเอาตำราเอาภาษาพูดเนี่ยไปถือว่าเป็นธรรมะหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะหนังสือไม่ใช่ธรรมะหนังสือที่เขียนเรื่องธรรมะเป็นหนังสือที่เขียนเรื่องเขียนถึงเรื่องธรรมะเท่านี้แต่ตัวหนังสือนั้นไม่ใช่ธรรมะเพราะธรรมะมันไม่มีตัวหนังสือ ถ้ไใรบิดกเล่มจริงๆเปิดออกมาไม่มีตัวหนังสือเลยนั่นของแท้เล่มพวกนี้เนี่ยไฟไหม้น้ำท่วมโลกหมดเล่มจริงๆอยู่ในจิตเรานั่นเผาก็ไม่หายไปไหนเขาเรียกว่าอยู่ในจิตใต้สำนึกเรานั่นแหะคือธรรมะจริงๆแต่ตอนนี้ธรรมะเป็นตัวหนังสือเป็นรูปแบบวิชาการ แล้วก็มานั่งท่องจำกันใครอ่านขยันอ่านก็เป็นด็อกเตอร์ได้แค่ขยนันแต่สิ่งที่เรารู้นั่นไม่ใช่ความรู้ซึ่งเกิดจากเราเองเป็นความจำที่เราไปจำความรู้ซึ่งคนอื่นเขาเขียนมาให้เราอ่านมันไม่ใช่ตัวปัญญาแถมสร้างอัตตาตัวตนให้ตัวเองอีกนะก็เอาเป็นว่าเป้าหมายชีวิตเราตอนนี้เนี่ย เราไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อปฏิบัติเพื่อลดละเลิกเพื่อมุ่งสู่ความผลทุกข์แต่เราเรียนรู้วิชาการเพื่อจะให้ได้าะลาดรสระเสริญเพิ่มมันก็สวนทางกับทางพ้นทุกข์เอาเป็นว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องทางโลกทางธรรมจริงๆแล้วสําหรับพ่อครูแล้วเนี่ยทางโลกก็คือทางธรรม ทางธรรมก็คือทางโลกการรู้ธรรมไม่ใช่ไปรู้ตัวหนังสือรู้วิชาการนะการรู้ธรรมการเห็นธรรมคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนะธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาหิมาลาย์เท่านั้นธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมดาธรรมดา หิวก็กินง่วงก็นอนเรายกเราก็หนักราวางเราก็เบานี่คือธรรมะแต่ตอนนี้ธรรมะกลายเป็นวิชาการถึงไปนั่งเถียงกันไงเดือนจบสูงสุดแล้วเนี่ยพราะครูพูดคําว่าด็อกเตอร์ บ, บ่อยๆคนเป็นด็อกเตอร์อย่ากโกรธนะพ่อครูพูดถึงความเป็นด็อกเตอร์คนเป็นด็อกเตอร์เนี่ดีก็มีชั่วก็เยอะอย่าคิดว่าเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นคนดีหมดนะชาวนาดีก็มีชั่วก็มี แต่ความเป็นด็อกเตอร์เขาเป็นได้โดยว่าเขาไปอ่านวิชาการเขารู้มากกว่าคนอื่นเรื่องมีวิชาการแต่สุดท้ายเขาจบสูงสุดคนหนึ่งแปลนิพานว่าอักตาคนหนึ่งแปลว่าอนัตตาคนหนึ่งบอกเลี้ยวซ้ายคนหนึ่งบอกเลี้ยวขวาแล้วลูกหลานเราจะไปฟังใครผู้เจ้าทึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะองค์ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่แค่ไหนยิ่งใหญ่จนพครูเลิกรับถือพุทธเจ้า เพราะว่าคำว่านับถือมันหยากไปบูชาถวายชีวิตพระองค์นั่นแหละคือนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเพราะพระองค์เรียนรู้รอบไม่ใช่รู้เรื่องรูปธรรมอย่างเดียวพระองค์เห็นนามมาทําด้วยพระองค์เห็นทั้งหมดเห็นวัฏฏะสงสารเห็นเวียนไหวาตายเกิดเห็นบาป บ, บุญคุณโทษและไม่ใช่เห็นเฉยเฉยรู้วิธีแก้ด้วยนักวิทยาศาสตร์คนไหนทําได้บอกกับครูหน่อย ตอนนี้เขาเชิดชูไอสไตน์นะ้ววิทยาศาสตร์เชิดชูไอสไตน์ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งเขาเก่งแต่เขารู้แค่ครึ่งเดียวเขาเป็นคนพบทฤษฎีสัมพัทธภาพความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของสสารของสปปรรพสิ่งของพลังงานมันก็เป็นรูปธรรมแต่เขายังเข้าไปไม่ถึงนามธรรมาเขารู้ครึ่งเดียวทฤษฎีสัมพัทธภาพก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเี่ยวนึงของ ปฏิจจสมุท บ, บาทเท่านั้นเองแต่ผู้เจ้ารู้รอบรู้ความจริงทั้งหมดเพราะความจริงมันไม่ใช่รูปธรรมอย่างเดียวมันมีนามมาทำด้วยคนรารู้สุกสุขรู้สุกทุกข์ดีใจเสียใจมันเป็นเรื่องของนามมาทำเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแต่วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาปฏิเสธแปลกนะ เมื่อวานี้อาจารย์อ้อยก็ถือถุงหนังสือบอกว่ามีเพื่อนอาจารย์อ้อยเคยมาประโยช์เป็นนักวิชาการฝากหนังสือให้พ่อครูสามเล่มพ่อครูก็เปิดดูเอ๊ะแปลกใจส่งหนังสือวิทยาศาสตร์ให้พ่อครูอ่านเรื่องบังเอิญพ่อครูเคยถามอาจารย์อ้อยเรื่องไอ้ไอ้คอมต้อมอะไรนะควอนตัมนะมันคืออะไรนะเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะควอนตัม พระครูก็งงๆอยู่นะเขส่งให้พระครูทำไมพระครูก็เปิดปิดมันอยู่ท้ายๆเขาก็พูดถึงเรื่องรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสนะพอไปพูดเรื่องภาษาวิทยาศาสตร์เดี๋ยวพระครูก็ลืมมันเรียกภาษายากมากนะพ่อครูเลยเข้าใจอ๋อเขาส่งให้พระครูทำไมนะแสดงว่าแกเข้าใจแล้วนะเขาพยายามจะมาปฏิบัติต่ตอเนื่อง เพราะนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากในทางควอนตัมทุกวันนี้เนี่ยเขาเป่งคำานึงออกมาเลยว่าพราะครูเคยบอกว่านักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณเนี่ยเขาไปเห็นสิ่งหนึ่งที่เล็กกว่าอะตอมเขาเรียกว่าอนุภาคใต้อะตอมแต่นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่นี่ที่เขาศึกษาทฤษฎีไอควอนตัมตรงนี้น่ะเขาเรียกว่าวิญญาณ ในอะตอมเขาเริ่มเห็นแล้วมีสิ่งหนึ่งอยู่ในนั้นซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันพิสดารมากนะซึ่งที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ถึงแล้วเขาไปเห็นตัวนี้แลละเขาก็เห็นความความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของมันเห็นไหมมันก็เลยขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์สมัยก่อนอยู่ตอนนี้กำลังสู้กัอนอยู่นะก็ดีแล้วก็เริ่มเข้ามาแต่ทีนี้หนังสือเล่มนี้เขาสรุปว่า ไอท้ทฤษฎีความไม่แน่นอนผู้เจ้าเห็นมาก่อนแล้วเนาะผู้เจ้าเห็นกฎพระไตรลักษ์คืออันนี้จังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือความแน่นอนนะพ่อครูเคยเกิดไปแล้วทิฏแล้วว่าอิสระภาพจริงๆนั้ต้องดําเนินไปพร้อมๆกับความไม่แน่นอนแล้วก็ความไม่มั่นคงแต่ตอนนี้ทางโลก เราต้องการสร้างความมั่นคงขึ้นมาสร้างฐานะอยากไม่มีอยากมีก็ทุกข์เพราะอยากมีมีเพื่็สร้างรักษาไว้นะคิดว่ามีแล้วมันจะมั่นคงมันจะถาวรถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะไม่มีวันมั่นคงเราจะไม่มีวันอิสระภาพเพราะเราจะมีความกลัวว่าเราจะสูญเสียมันไปแต่ถ้าเราเข้าใจทฤษฎีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยนะ แล้วเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่กังวลอะไรเลยเรารู้ว่าไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างของเราเนี่ยนั่นหละเราจะเข้าถึงความมั่นคงที่แท้จริงเราจะเป็นอิสระภาพแต่ตอนนี้เนี่ยทางโลกสอนให้เราว่าต้องเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมั่นคงจะมีความสุขมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันแบบฟ้ากับดินเลยนะ จริงๆแล้วทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผิดเขาก็ตั้งวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยาศาสตร์วิชาซึ่งพยายามค้นความจริงแต่บังเอิญว่าความจริงเขาไปจบอยู่ที่แค่รูปประธรรมเขาปฏิเสธนามประธรรมาอะไรที่พิสูจน์โดยรูปประธรรมไม่ได้เขาไม่เอาเขาก็เลยรู้แค่ครึ่งเดียวรู้แค่วิชาการที่เขาไปเรียนแต่เขาไม่รู้เรื่องชีวิตชีวิตมันประกอบด้วยรูปประธรรมแล้วก็นามปรธรรมนะ ทีนี้มันมีเมื่อกี้พ่อครูเกินถึงศาสนาเดี๋ยวก็เติมให้หน่อยเดี๋ยวไม่เข้าใจนะอาทิตย์ที่แล้วพ่อครูก็เกินเกินบ้างพระอาจารย์สัญชัยเรียกว่าพระได้ไหมตอนนั้นท่านไม่ใช่พระเนาะแต่ท่านเป็นอาจารย์ของพระโมกคลานะกับภาษารีบุตรตอนที่ยังไม่พบพระพุทธเจ้า พอโมกคลาสาริบุตรมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปกราบเรียนอาจารย์ท่านคืออาจารย์สันใจว่าจะขอลาไปบวชในบวรพุทธศาสนาอาจารย์สันใจก็ถามความตั้งใจว่าเาเขาตั้งใจจริงๆก็อนุโมนาให้เขาไปแล้วสุดท้ายพระอาจารย์สันใจเนี่ยก็ตามมาด้วยที่สำนักท่านเป็นผู้อาวุโสพระพุทธเจ้าก็เชิญท่านนั่งท่านบอกว่า ท่านมีบางอย่างที่จะถามพระพุทธเจ้าเขาก็ถามแก่นๆเลยนะคือเขาต้องถามเพื่อความแน่ใจว่าเอ๊ะลูกศิษย์เขาเนี่ยมามาทั้งหมดเลยแล้วมาทำไมไม่กลับท่านก็ถามพระพุทธเจ้าว่าหนทางของท่านท่านใช้หลักการอะไรเป็นคำสอนพระพุทธองค์ตอบว่า หนทางของเราไม่ใช่หลักการไม่ใช่ปัจฉญาแต่หนทางของเราคือประสบการณ์ของเราเองเราแค่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เห็นไหมพระองค์ไม่ได้สอนวิชาการพระองค์เอาประสบการณ์จริงๆที่พระองค์ผ่านมาพระองค์ก็เอามาถ่ายทอดไม่มีหลักการอะไรตายตัว ถ้ามีหลักการตายตัวปุ๊บมีวิชาการตายตัวปุ๊บกลายเป็นลัทธินิกายกลายเป็นวิชาการนะอันนี้ก็เป็นตัวเสริมที่พระครูพูดก็ศาสนาไม่ใช่เป็นเพียงคําสอนแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์นะที่บอกว่าธรรมะไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะ แต่ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วจะมีธรรมะได้อย่างไรปัจจุบันถ่ายทอดมีถูกมีผิดมีของแท้ของเทียมมีของชั้นของเธอมีวิชาชั้นวิชาเธอมันจึงไม่ใช่ธรรมะเพราะมันมีมันก็เลยเลอะเลือนไปหมดนะธรรมะเป็นแค่วิชาสอนมีหลักการที่แน่นอนบังคับให้ทุกคนเชื่อเหมือนๆกัน จึงเปจึงเป็นแค่องค์วิชาไม่ใช่ธรรมะก็เป้าหมายของมนุษย์เราเนี่ยนะเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อความชนะเพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและทุกวันนี้เขาก็เล่นเกมแข่งขันก่อนจะได้มาถึงเศรษฐกิจต้องแข่งกับคนอื่นก่อนการเบียดเบียนก็เกิดขึ้นนะเราจะหาความสงบสุขไม่ได้ เพราะเราไปเข้าใจคำว่าความสุขคาดเคลื่อนเราไปเข้าใจคำว่ามั่นคงคาดเคลื่อนเราไปเข้าใจคำว่าอิสระภาพคาดเคลื่อนเพราะเราไปจบหยุดแค่รูปธรรมเพราะเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องจิตวิ ญ, ญญาณเลยอิสระภาพมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของจิตวิญญาณถึงเราจะถูกขังในห้องขังก็ช่างเราก็รู้สึกเราอิสระภาพเพราะร่างกายก็ไม่ใช่ของเราใครจะถูกขังหรอ เห็นไหมแต่ตอนนี้เราอิสระมากที่พ่กครูเคยเล่าให้ฟังว่ามีไก่สองตัวตัวหนึ่งอยู่ในซุ้มนะเขาบอกไม่ดีถูกขังไปไหนก็ไม่ได้ไม่อิสระตัวหนึ่งอิสระมากกูจะไปไหนก็ได้จะทำอะไรก็ได้วันหนึ่งมีเสือตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเนี่ยใครตายก่อนไอตัวอยู่ข้างนอกตายก่อนแล้วตอนนี้อิสระเห็นไมจะทาอะไรก็ทาเป็นหนี้เป็นศินติดยาเสพติดติดเอสอิสระไหมไมย คุณเป็นาธาตุของนี่ศีลคุณเป็นาธาตุของของยาเสพติดเป็นาธาตุของอารมณ์คุณไม่เคยอิสระเลยแต่ทีนี้ไอไก่ที่มันอยู่ในซุ้มน่ยมันไม่ใช่ห้องขังมันเป็นศีลมันคือเกาะป้องกันภัยมันแต่มันรู้สึกอิสระมากมันปลอดภัยอิสระไม่อิสระมันไม่เกี่ยวกับเรื่องกายภาพมันเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของจิตวิญญาณเราแต่ส่วนมากนักวิทยาศาสตร์บังเอิญว่าเราเรียนรู้เรื่องเรื่อง รูปธรรมเลยเนี่ยเราก็เลยพลาดโอกาสในการเรียนรู้จิตวิญญาณแต่พระรู้เจ้าไม่ไม่ทรงทำเช่นนั้นพระองค์เริ่มจากเนี่ยทรมานกายเลยละ่ะทรมานกายเพื่อปลดจิตด้วยพระองค์ใช้ร่างกายพระองค์เสพสุขมีปราสาทสามด้วยดูนะความสุขนั้นก็ไม่ได้ทําให้พระองค์พระองค์พ้นทุกพระองค์มาทรมานสังขารเอาร่างกายนี่แหละมาเป็นเครื่องมือเนี่ยก็ศึกษาร่างกายวิจัยร่างกายด้วยพระองค์ก็เห็นแล้วว่าเฮ้ย พรมาณร่างกายไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมพ้นทุกข์โดยมันไม่ใช่ทางสายกลางพระองค์ก็เลยเรื่องจิตวิญญาณก็เกิดปัญญานะทีนี้ภาพยนตร์ที่เอามาฉายนี้ดีมากมีหลายอย่างที่เราเคยได้ยินมานรู้สึกไม่รู้ตัวไหนจริงตัวไหนไม่จริงแต่มันพิสูจน์ว่าเฮ้ยบางอย่างที่เราเคยได้ยินน่ะมันไม่แน่นะไหมเพราะกูดูหลายตอนนะยกตัวอย่างว่า ที่ผู้เจ้าเป่องออกมาว่าทางสายกลางพระองค์ยกตัวอย่างว่าพินเนี่ยถ้ามันตึงเกินไปก็ไม่เพาะถ้ามันยานไปก็ไม่เพาะน่ยพระองค์เห็นทางสายกลางผู้เรื่องพินจริงๆแล้วในภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พระองค์จเจริญ ท, ทุกทุกทุกกริยาทรมานสังขารอยู่นะไม่ฉันอาหารอะไรนานๆออกมาในถ้ำก็ไปดื่มน้ําหน่อยหนึ่ง แต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เป็นลมสลบลงไปนางสุชาดาเดินมาเห็นเพราะแอบอยู่หน้าถ้ำอยู่เรื่อยเป็นเวลาหลายปีนะที่แรกพระองค์ก็เริ่มฉันผลไม้นางสุชาดาก็ถวายอะไรนะสุดท้ายเนี่ยพระองค์ไม่ฉันอะไรก็นั่งรอเห็นสลบเป็นลมสลบเพราะไม่มีกำลังนางสุชาดาก็ไปเอาน้ำมาเอามาล้างหน้าเอามาเทใส่ห น, หน้าอะไรๆพระองค์ก็ตื่นขึ้น นางสุชาดาก็ถามว่าท่านกําลังสแสวงหาอะไรเหรอเนะจ้าชายเดชธามบอกว่าสแสวงหาการดับทุกข์ก็คือเขาเราียกว่าการไถ่าบาปภาษาอินเดียโบราณ น, นะนางสุชาดาเป็นผู้หญิงชนบทธรรมดาคนหนึ่งเขาก็ใช้สัญชาตญาณธรรมดาคนหนึ่งเขาก็ถามแบบเขางงว่าท่านจะสแสวงหาสิ่งนั้นโดยสุขภาพท่านเป็นแบบนี้เหรอ ไม่ว่าทางโลกทางธรรมสุขภาพอย่างนี้คุณก็หาอะไรไม่ได้เห็นไหมคำนี้แหละทําให้เจ้าชายยิทะตื่นขึ้นมาเนี่ยเจ้าชายยุทธะเป่องออกมาเลยนางสุชาดาเนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกที่ทําให้พระองค์เข้าใจเรื่องทางสายกลางส่วนเรื่องพินเรื่องสายพินนั้นนะ่ะเมื่อพระองค์ตัดสรุปรมแล้วเป็นสัมมาพุริเจ้าแล้วพระองค์ก็ยกตัวอย่างมาชี้ให้ดูเรื่องทางสายกลางเย้ยเฉยเห็นไหมมันไม่เหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง พวกคุกก็ได้ยินว่าโมคลานะน่มีฤทธิ์นะเศรษฐีมาปามาเหาะขึ้นบนยอดไม้นะเพื่อปามเศรษฐีนะผู้เจ้าก็ตัดว่าอยากะยากกยากระทำนะเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจผิดว่าการที่จะพ้นทุกข์นั้นน่ะต้องไปฝึกวิชาเหาะก่อนแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โมคลา แต่พระโมคคลาก็เดินไปด้วยวินทบาตสองรูปอีกรูปนึงชื่ออะไรพ่อคูก็พ่อคูจำชื่อไม่ได้พ่อคูไม่ค่อยจำหรอกเอาเป็นว่าไม่ใช่พระโมคคลาไปเดินปุ๊บเศรษฐีสามคนพยายามจะทําลายนะก็ปลุกระดมชาวบ้านแล้วก็ไปเอาไอ้ไม้ไผ่สารสูงมากแล้วก็เอาบาตไปไว้ข้างบนไม้ไผ่แล้วก็ขุดหลุมฝังไว้นะบอกว่าถ้าท่านเก่งจริงท่านต้อง อย่าไปแตะไม้ไผ่แล้วขึ้นไปเอาบาทนั้นลงมาแล้วพวกเขาจะถวายอาหารแล้วก็จะศรัทธาพระโมคคลาก็ไม่ฟังบอกไม่ฟังเขาก็ดา่าพวกขอทานนะด่าพวกขอทานพวกหลอกลวงทำลายครอบครัวทิ้งเมียไปบวชนะ มันละซ้ำลาสายหมดเห็นหมัหมในยุคนั้นเนี่ยผู้ทีเจ้าก็เจอม า, ารเยอะแยะเลยทีนี้สองรูปนั้นก็นิ่งไม่สนใจกําลังจะเดินหนีเศษถีก็ตอนนี้ไม่ใช่ว่าสองรูปนี้นะด่าถึงพระพุทธเจ้าเลยตอนนี้ทนไม่ได้ละสาวกทนไม่ได้ไปปา마ศพุทธองค์หาว่าเป็นนักหลอกลวงต้มตุนทําลายความสงบสุขของครอบครัว องนั้นก็ไม่ยอมมกคลาดึงไว้แล้วนะบอกไม่ได้ลบหลูครูบาอาจารย์ไม่ได้ก็ไปนั่งกับมาฐานอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลอยขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอามือออกมาบาทนั้นก็มาอยู่ในมือก็ลงมาเศรษฐีก็กราบไหว้จุชอาชนห้อมล้อมบังเอิญพระพุทธองค์นั่งฌานอยู่รู้เรื่องหมดพอกลับไปถึงสำนักนะพระองค์ถามว่าท่านไปทาอะไรมา เขาก็รายงานผู้เจ้าทรงตำหนีว่าอย่า ก, กระทําอีกอย่าใช้ฤทธิ์ใช้เดชอะไรเนี่ยและจริงๆวันอีกวันหนึ่งผู้เจ้าก็นําไปบินฑบาตเขาก็ด่าอีกหาว่ามาแสดงฤทธิ์แสดงอะไรมาหลอกลวงชาวบ้านนะเอาเป็นว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้วิเศษ จำไว้ว่าพวกเรานั่งอยู่ที่นี่เราวิเศษมาหลายชาติแล้วเรามาเกิดเพื่อจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่เข้าไปในจิตแล้วนเนี่ยไปหลงสภาวะทางอะไรพวกนี้นะเสะด็อวดอุตลิมุนเชยธรรมกันนะมันไม่ใช่ทางพ้นทุกนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะก็คนยุคนี้ความเชื่อที่ว่าถ้ามีเศรษฐกิจเยอะๆแล้วจะทําให้ชีวิตมั่นคง เป็นสมมติฐานที่ไปขัดแย้งกับสัจธรรมความจริงของธรรมชาติลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจงทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันดำรงอยู่ได้ยากเพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนนะเราไปแสวงหาสิ่งที่มันไม่เที่ยงแล้วก็ไปยึดมั่นถือมันว่าตัวกูของกูนะเราจะไม่มีวันได้รับอิสรภาพและ ที่ถามบอกครูว่าและความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรพูดมาหลายหลายหลายหลายปีแล้วพูดทุกเกือบทุกวันนะความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระไม่ใช่ได้เงินเยอะๆไม่ใช่มีเยอะๆทุกวันนี้ที่เราทุกเพราะเรามีที่เพราะเรามีทั้งนั้นแหละที่เราทุกนะเริ่มจากเรามีกรรมก่อนเราจึงได้มาเกิดอีก พอเกิดปุ๊บเขาก็ให้ขันห้าเราอีกแถมอายตนะหกมาอีกเพื่อเป็นเครื่องมือดำเนินชีวิตทำไปทำมาก็ไปหลงมันแทนที่จะรู้เท่าทันอายตนะเอาอายตนะมาเสพอันนี้ก็สวยสวยอันนี้ก็เพลาะเพลาะอันนี้ก็หอมหอมอันนี้ก็อร่อยอร่ออันนี้ก็นิ่มนิ่มก็ทุกข์สิพอมันเหม็นปุ๊บก็ทุกข์ ได้ยินเสียงเพลงเพราๆก็ชอบพอเขาด่าเรามาก็เลยวีนเราไม่รู้เท่าทันอัยตนะนั่นแหละที่เราทุกข์ไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่มีเป็นเพราะเรามีทุกข์เพราะมีทีนี้จะทำให้มันพ้นทุกข์ก็ต้องสละความมีนั้นซักเป็นทางทางเดียวเท่านั้นศาสนาสอนให้เราลดละเลิกไม่ได้เพิ่มเติมลาบยศ เ, เสริญอะไรทั้งสิ้น แต่ตอนนี้สอนกันยังไงก็ไปดูกันเอาเองนะพ่อครูถึงบอกว่าพวกครูไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่อยากร่วมสันต ก, กรรมเมื่อเราไปพูดความจริงแล้วก็ไปขัดแย้งกับกิเลสเขานะเรารู้ทั้งรู้ว่าพูดแล้วเขาก็ไม่พอใจก็ไม่ต้องไปพูดแต่ใครหลงมาที่นี่พวกครูขออนุญาตพูดความจริงให้ฟังถ้าไม่พูดแสดงว่าพวกครูไม่ทำหน้าที่เราจะเสียชาติเกิดนะเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อ เป้าหมายคือพ้นทุกขสถานเดียวศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยอริยสัจสี่ที่ผู้จ้าตัดสรูป ค, คือทุกขสมุ ท, ทัยนิโรธมรรคเพื่อนฝรั่งพระครูต่อว่านะเขาศึกษาว่าเอ๊ะทําไมศาสนาพุทธขี้ทุกจังเลยพูดว่าอะไรคือตัวทุกขอะไรคือเหตุแห่งทุกอะไรคือความดับทุกขอะไรคือหนทางสู่การพ้นทุกเ ข, ขาบอกทาไมขี้ทุกจังเลย วก็ขูไม่ใช่าศาสนาพุทธไม่ได้ขี้ทุกขศาสนาพุทธไม่ได้มองโลกในแง่ลายแล้วก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีาศาสนาพุทธมองโลกในแง่ความเป็นจริงเรามีทุกข์เป็นประธานผู้เจ้าไม่ตัดเรื่องอื่นส่วนธรรมะย่ยอยๆต่างๆนานาธรรมะผู้คลองเรือนอะไรๆมันเป็นเรื่องของ อ, อ, อุบายวิธีในการอยู่ร่วมกันเฉยๆมันไม่ใช่ธรรมะเพื่อการพ้นทุกธรรมะเพื่อการพ้นทุก์มีแค่สี่ข้อ ความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดแต่เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์หนทางบรรจุการพ้นทุกข์นี่คือแก่นพุทธศาสนาไม่ใช่ไปให้เรียนเก่งๆอ่านหนังสือเยอะๆเพื่อเป็นด็อกเตอร์จะเป็นโน่นเป็นนี่มันไปนสวนทางกับหลักการคำสอนพระพุทธเจ้าบอกให้ลดละเลิกทางเดียวเท่านั้นลดละเลิกสิ่งที่เรามีอยู่ที่เราทุกข์เพราะเรามีนะ ไม่ได้ให้เพิ่มเติมอะไรเลยแม้กระทั่งความรู้ถ้าความรู้นั้นมันเป็นมันเป็นเครื่องมือทำให้เราไล่ดาบยกสรรเสริญเนี่ยถือว่าเป็นอวิชาทั้งสิ้นมันคือความรู้ผิดความรู้ใดแฝงด้วยโลภโกรธหลงเป็นอวิชาทั้งสิ้นนะรู้ผู้เจ้าสอนให้เรารู้วิธีวางอ๋อ เข้าใจแล้วทิ้งไอ้ที่มันไม่เข้าใจออกไม่ใช่ไปสะสมความรู้นั้นกลายเป็นอัตตาเป็นสัญญาเป็นขนาดสัญญาเป็นอัตตานะท่านเป็นใครเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นนักวิชาการเป็นเสรษฐีเป็นประธานไม่เป็นคนละมีแต่หัวโขนอัตตาทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไงนะ ทีนี้มีคำถามหนึ่งว่าอิสระได้ยังไงมันยังเป็นนี่อยู่ก็ผู้เจ้าก็บอกแล้วไงความไม่มีนี่สินเป็นลามันประเสริฐแต่พอมันหลงไปเป็นนี่แล้วเนี่ยคำว่าเป็นนี่นะคำว่าอิสระเนี่ยไม่ใช่อิสระจากต้องอิสระจากความทุกข์เพราะเป็นนี่ เป็นหนี้ทำไมต้องทุกข์ล่ะเป็นหนี้มันแปลว่าอะไรเป็นหนี้แปลว่าค้างเขายังไม่จ่ายเขามันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าทุกข์สนหน่อยหนึ่งแล้วทำไมต้องไปทุกข์กับมันคนโง่นะเป็นหนี้ไม่พอยังไปทุกข์อีกเนี่ยเสียสองต่ออย่าว่าแต่เราเป็นหนี้เราเก็บหนี้ไม่ได้ก็ทุกข์นะมึงไม่จ่ายกูสักทีหนึ่ง ดอกเบี้ยก็ไม่จ่ายด่ามันก็แล้วมันก็ไม่จ่ายกลับไปถึงบ้านแทนที่จะนอนหลับนอนไม่หลับอีกโกรธมันอีกอันนี้โง่ซ้ำซากเสียเงินไม่พอไปเสียใจอีกเสียชีวิตอีกเห็นไหมเราทําตัวเองทั้งนั้นแหละคำว่าอิสรภาพเนี่ยอิสรภาพจากความทุกข์ซึ่งเราเป็นหนี้เป็นหนี้ไม่ต้องทุกข์ก็ได้ ทีนี้เรารู้ว่าเออมันไม่ดีงไงแล้วต่อไปเออรีบเขียนนี่ตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตจ่ายมันหมดเลยซื้อความมีสภาพแล้วต่อไปอย่าเป็นหนี้ไอ้หนี้สินนั่นเรื่องเล็กนะเรื่องเล็กนะแล้วเป็นหนี้มันร้อยล้านพันล้านเราตายแล้วมันก็เก็บเราไม่ได้เราหมดแต่หนี้เวนหนี้กรรมนั่นไม่หมดนะมันตามข้ามภพข้ามชาติเลยวันแรกมันเล่นโเกิดมาวันแรกก็แหกปากรองเลยเห็นไหมอันนั้นมันไม่จบ นั่นแหละก็เมื่อรู้แล้วว่าเป็นหนี้มันไม่อิสระแล้วต่อไปอย่าเป็นหนี้อีกแต่เมื่อมันหลวงตัวเป็นหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลต้องไปทุกข์กับมันเห็นไมคนเป็นหนี้คือคนเป็นหนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นคนทุกข์จนไปว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกข์รวยไปว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุข <c oughs> เจริญไปว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้แปลว่ามั่นคงเราแปลภาษาไทยผิดหมดเราถูกหลอก นะเข้าไปถามจิตเราไปถามอาจารย์เราข้างในเดี๋ยวเขาจะบอกเราว่าให้ทำยังไงทีนี้พวกครูถามว่ามนุษย์เราเนี่ต้องการรวยจริงๆเหรอเรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะนะมีเท่าแก่คนหนึ่งมาที่นี่ตอนนี้จากไป ล, ละเสียชีวิตละสนิทกับพวกครูมาก แกบอกวางได้เยอะเลยแต่มันยังอยากรวยอยู่เพราะคูว่าอยากรวยจริงไหมแกบอกอยากนะตอนนั้นอายุกเกือบเก้าสิบแล้วนะยังอยากรวยเนะพราะครูเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะคูจะหาเกาะเกาะหนึ่งสวยมากเลยนะแล้วก็สร้างคาลือหาดให้มีห้องนอนสาม้หสิบห้าห้องแต่งด้วยเพชรมินจินดาแต่และห้องไม่เหมือนกันหมดเลยวันหนึ่งอยู่แค่ห้องเดียวก็พอปีหนึ่งไม่อยู่ไม่ต้องซ้ําเลย แล้วมีโกดังเก็บเงินเนี่ยทุกสกุลเลยนะมีดอลล่ามีเงินปอนมีเงินไทยเงินลาวเงินขเขมรมีหมดมีรถทุกยี่ห้อเลยนะให้อยู่คนเดียวเอาไหมเขาบอกไม่เอาเอาอมันรวยแล้วไงจริงๆแล้วเราไม่ชอบรวยหรอกนะก็พอพูดเรื่องนี้บังเอิญว่าช่วงใกล้ๆนี้พ่อคกูก็ไปเห็นนิทานทำเรื่องหนึ่งเขาพูด ใเลาะมากนะพวกครูไม่ตัดไม่ต่ออะไรหรอกมีอะไรดีๆแล้วก็มานําเสนอกันนะนะก็เขาเล่าว่าอย่างนี้ทีนี้คําว่าจักรวาทินนะจักรวาทินเนี่ยมันแปล ถ, ถึงจกกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้พิชิตโลกไม่ใช่จกกักรพรรดิธรรมดานะต้องจกกักรพรรดิวันในยุคนั้นน่ะพิชิตโลกหมด ทุกคนเคารพนับถือมากเรียกว่าจักกะวาทินนะจำคำนี้ไว้นะจักกะวาทินนะทีนี้กล่าวกันว่าเมื่อจักกะวาทินคนหนึ่งตายไปกว่าจะเกิดจักกะวาทินคนใหม่ก็อาจต้องรอไปเป็นพันพันปีนี่เป็นสิ่งที่หายากถึงเวลาที่เขาตายไปสวรรค์รับเขาไว้ด้วยความยินดีปรีดา และเขาถูกพาไปยังที่ที่พิเศษแห่งหนึ่งในตำนานทางลัทธิคีนะที่อินเดียนะนั้นบนสวรรค์มีภูเขาที่คู่ขนานกับหิมาลัยชื่อว่าเขาพระสุเมนเป็นภูเขาที่สูงที่สุดไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นมันเป็นภูเขาทองคำ ที่ประดับประดาไปด้วยเพชรนินจินดานะเมื่อจั ก, ก ร, ากกรวาทินตายไปเขาจะถูกนำไปยังเขาพระสุเมนเพื่อสลักชื่อของเขาไปบนนั้นนั่นเป็นสิ่งที่นานๆจะเกิดขึ้นสักทีต้องรอเวลาเป็นพันๆปีแน่นอนว่าคนที่ได้รับเกียรตินี้คงต้อง ตื่นเต้นอย่างมากเพราะเขากำลังจะเขียนชื่อของเขาลงไปบนเขาพระสุเมนมันช่างเป็นการลงนามที่ยิ่งใหญ่อลังการเสียจริงๆเป็นหอเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วทีนี้ พอเขาถึงขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยคนเฝ้าประตูดได้มอบเครื่องมือที่ใช้ในการสลักชื่อแก่จั ก, กรพัทผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นจักรวาทินจั ก, กรพัทต้องการนําคนของเขาไปด้วยคนเหล่านี้คือผู้ที่ได้ฆ่าตัวตายตามจั ก, กรพัทมาพวกเขาคิดว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ โดยปาสจากจักรพัฒคนเหล่านี้ประกอบด้วยภรรยาของเขานายกรัฐมนตรีของเขาแม่ทัพในกองของเขาบุคคลที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่ห้อมล้อมตัวเขาทั้งหมดได้ฆ่าตัวตายตามเขามาจักรพัฒ ต, ต้องการให้คนเฝ้าประตูเปิดทางให้คนเหล่านี้ได้เข้าไปดูการสลักชื่อด้วยเพราะมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะ ถ้าหากท่านต้องเข้าไปสลักชื่อแต่เพียงลาพังและไม่มีใครได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นเพราะความสุขจริงๆจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนทั้งโลกได้เห็นคนเฝ้าประตูพูดว่า่าบาทโปรดรับฟังคำแนะนำของข้าเพราะนี่เป็นอาชีพที่เป็นมรดกตกทอดมาช้านานพ่อของข้าเป็นคนเฝ้าประตู ปู่ของข้าก็เป็นคนเฝ้าประตูเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วที่พวกเราเป็นคนเฝ้าประตูที่เขาพระสุเมนได้โปรดฟังคําแนะนําของข้าอย่าให้พวกเขาเข้าไปข้างในกับฝ่าบาดเลยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วฝ่าบาดจะเสียใจในภายหลังจั ก, กรพรรดิไม่เข้าใจว่าทําไมแต่ก็ไม่สามารถเพิกเฉย กับคำแนะนำนั้นได้เพราะรู้ว่าชายคนนี้ไม่น่ามีผลประโยชน์อะไรในการปิดกั้นนี้คนเฝ้าประตูพูดว่าถ้าฝาบาทยังคงยังคงยืนยันนะต้องการให้พวกเขาเห็นก็ให้ไปสลักชื่อของฝาบาทก่อนนะแล้วค่อยกลับมาพาพวกเขาไปกับฝาบาทในตอนหลัง หากพระ อ, องค์ยังต้องการข้าไม่มีข้อขัดแย้งใดๆมันช่างเป็นคำแนะนำที่แปลกประหลาดจั ก, กรพัตรพูดว่าตกลงข้าจะไปคนเดียวสลักชื่อเสร็จแล้วข้าจะพาพวกเขาทั้งหมดเข้าไปดูนะจั ก, กรพัฒนได้เข้าไปและเห็นเขาพะสุเมนเป่งประกายภายใต้ดวงอาทิตย์เป็นพันๆดวงในสวรรค์ น, นั้น ไม่ได้ยากจนไม่ได้มีแต่ดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวหรอกดวงอาทิตย์เป็นพันพันดวงและภูเขาทองคําที่ยิ่งใหญ่กว่าหิมาลัยมากพระจักรพรรดิไม่สามารถจะลืมตาได้ชั่วขณะที่ตรงนั้นแสงมันจ้ามากแล้วแล้วเมื่อจั ก, กรพรรดิปรับสายตาได้พระองค์ก็เริ่มมองเห็นว่าบนเขาพัซซูเมนนั้นแทบจะไม่มีที่ว่างเลย ภูเขาทั้งลูกถูกสลักชื่อเต็มไปหมดพระองค์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนี่เป็นครั้งแรกที่พระองค์ตระหนักรู้ว่าตนเองเป็นอะไรแต่ก่อนนี้พระองค์คิดว่าพระองค์เป็นซูเปอร์แมนที่พันพันปีจะเกิดขึ้นทีสักทีหนึ่งแต่เวลานั้นเป็นนิลันแม้เวลานั้นเป็นพันพันปีก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างแต่อย่างไร มีจักรพัทจักรวาทินเกิดขึ้นมากมายมาก่อนนี้จนแทบจะไม่มีที่ว่างบนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลแทบจะไม่มีที่ให้พระองค์เขียนชื่อเล็กๆของพระองค์เลยจักรพัทเดินกลับมาตอนนี้พระองค์เข้าใจแล้วว่าทำไมคนเฝ้าประตูจึงไม่ต้องการให้พระองค์ พาภรรยาแม่ทัพนายกองนายกรัฐมนตรีและเพื่อนสนิทของพระองค์เข้าไปข้างในมันเป็นการดีที่พวกเขาไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาจะได้เชื่อว่าจากกักรพรรดิของพวกเขาเป็นสิ่งที่สุดยอดและหาย า, จากจักรพรรดิพาคนเฝ้าประตูหลบไปข้างๆและกระซิบข้างหูว่าแทบจะไม่มีที่ว่างเลย คนเฝ้าประตูพูดว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ข้าพยายามบอกกับฝ่าบาทสิ่งที่ฝ่าบาทต้องทำก็คือการลบชื่อสองสามชื่อออกไปและเขียนชื่อของฝ่าบาททับไปนั่นคือสิ่งที่ทำทำกันมาตลอดทั้งชีวิตของข้าก็เห็นเขาทำกันมาแบบนี้พ่อของข้าก็เคยบอกถึงการกระทำแบบนี้ไม่มีใครในครอบครัวของข้าเคยเห็น เขาพระซุเมนว่างเปล่าหรือมีช่องว่างไว้ให้เขียนเลยจักรพัฒน์พูดว่าไม่ข้าไม่ต้องการโชว์พวกเขาและข้าก็ไม่ต้องการแม้แต่จะเขียนชื่อของข้าลงไปเขียนไปเพื่ออะไรละ่ะเพราะในวันใดวันหนึ่งใครบางคนก็คงจะมาลบชื่อมันออก ทั้งชีวิตของข้าได้กลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่มีสาระเลยนี่เป็นความหวังเดียวของข้าหวังว่าเขาพระสุเมนเขาทองคาในสวรรค์จะมีชื่อของข้าข้ามีชีวิตมาเพื่อสิ่งนี้ข้าได้เอาชีวิตของข้าเป็นเดิมพันเพื่อสิ่งนี้ข้าพร้อมที่จะฆ่าคนทั้งโลก แต่แล้วคนบางคนก็จะมาลบชื่อของข้าและเขียนชื่อของเขาแทนแล้วข้าจะไปเขียนชื่อข้าทำไมข้าจะไม่เขียนคนเฝ้าประตูหัวเลาะจั ก, กรพรรดิพูดว่าเจ้าหัวเลาะทำไมคนเฝ้าประตูพูดว่ามันก็แปลกดีเพราะข้าก็เคยได้ยินเช่นนี้จากปู่ของข้าว่าจาั ก, กรจั ก, ก ร, รวาทินมาที่นี่ พอทราบเรื่องราวทั้งหมดเพราะเขาพวกเขาก็หันหลังกลับพวกเขาไม่ได้เขียนชื่อพวกเขาไว้ฟาบาทไม่ได้เป็นคนแรกหรอกใครก็ตามที่มีชาวปัญญาแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทำแบบเดียวกันนี่ก็นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะท่านได้อะไรจากโลกนี้บ้าง ท่านสามารถนำอะไรไปกับท่านได้บ้างชื่อของท่านเกียรติยศของท่านการยอมรับนับถือของท่านเงินทองของท่านอำนาจของท่านวุฒิการศึกษาของท่านท่านไม่สามารถเอาอะไรไปได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกทิ้งไว้ที่นี่ในช่วขณะที่ท่านเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นของท่านท่านเป็นเจ้าของท่านได้ครอบครองมัน ความคิดเรื่องการเป็นเจ้าของการครอบครองนั้นผิดมันเป็นเรื่องที่ผิดมันเป็นเรื่องที่บิดเบีอยนบิดเบือนความจริงเพราะความจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เมื่อเช้านี้บังเอิญพราครูก็มีเวลาไม่เยอะนั่งอยู่อาจารย์อ้อยก็เดินไปนะปกติร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงแต่เมื่อเช้านี้เดินมาแบบ ยิ้มแมย้มแจ่มใสพูดคำว่าอ้อยไม่ได้เป็นอะไรผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทศกุลที่พระครูพูดบ่อยๆว่าปัจฉญาของชาวตะวันตกนันกปัจฉญาของฝรั่งเศสเคยบอกว่า I think t h e r e for I am ฉันคิดฉันจึงมีตัวต น, นเพราะเขายังมีตัวตนอยู่เขาจึงคิดจริงๆแล้วถ้าตัวตนเราไม่มีมันไม่มีคนคิด อันนี้ยังเป็นปลายเหตุแล้วก็ไปแก้กันที่ความคิดแล้วก็ไปคิดบวกเพราะเราอยากได้คิดบวกคิดลบก็จันไหลเหมือนกันอาจารย์พุทธทาสบอกมันก็คือมโนกรรมเพราะเราอยากได้ถ้าตัวเราไม่มีใครจะเป็นคนคิดนั่นแหละเราไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรให้เป็นเราอยากเป็นแบบจกักรพรรดิไหม ไปจองชื่ออยู่ภูเขาวัสุเมนนะฟังไว้แล้วก็ไปพิจารณาดูอย่าให้เสียชาติเกิดประเปล่าอุศาเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเทวดาก็ต้งองรอเกิดมาแทนเราเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขนะสุขแล้วมันทำไมทุกข์กรรมดีก็ต้องรับ สุขบ่อยๆจำเจสมทากทุกมากหน้าเบื่อไม่เสพก็ไม่ได้พบหลงไปติดกรรมดีนั้นไม่จำเป็นฟังพระครูนะอย่าขึ้นไปสวรรค์อีกเลยอยากไปเขาวสุมเมรไหมเราอยู่บนนั้นหลายรอบแล้วไม่ได้เกิดมาทำบุญแค่ขึ้นสวรรค์นะไม่จำเป็นจะเสียเวลาเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อ เป็นทางทางเดียวเท่านั้นที่ผู้เจ้าพูดแต่มีหลายอุบายวิธีชอบอย่างไรทำไปเถอะอย่าไปติดรูปแบบอุบายวิธีมากมายแบบไหนก็ได้ที่ปลดปล่อยเราได้แล้วไปติดรูปแบบศาสนาสร้างรูปแบบขึ้นมาเริ่มแรกก็เป็นแค่อุบายยกตัวอย่างว่าสมัยโบราณนะหลวงปู่หลวงตาเฝ้าวัดเพราะชาวบ้าน ศรัทธาไนงะนี่มนต์ให้ท่านเป็นเจ้ า, าวาดออท่านก็เป็นถึงแต่จะ ม, มีความรู้มากมายนะแต่ชาวบ้านรักท่านทะเลาะกันท่านบอกว่าหยุดเถอะเขาก็หยุดแต่ตอนนี้เจ้าอาวาดถูกแต่งตั้งแบบข้าราชการต้องมีวิชาการบริหารแบบวิชาการเละไปหมดเลยนะมันเพี้ยนไม่หมดแ ล, ล้วนละ่ะตอนนั้นหลวงปู่หลวงตาท่านก็ใช้อุบายนะ ว่าเออมาเอาน้ำมนต์น้ำมนต์ลดลาดลาด ล, า ล, า ล, าลาโอ้มีความรู้สึกปื้มปิตินะมันก็มีความสุขแล้วบังเอิญลูกศิษย์ลูกหาคิดว่าโอ้คนเข้ามาวัดเลยเนี่ยเพราะน้ำมนต์หลวงตาเนี่ยขังมากพอหลวงตาจากไปเนี่ยลูกศิษย์ก็ขายน้ำมนต์มันเป็นแค่อุบายเป็นเทคนิคทีนี้อุบายอะไรที่มินเมตต่อการเข้าใจผิดนั่นแหละผู้เจ้าไม่ทรงสนับสนุน แม้กระทั่งหาให้เสรษฐีดูปามเสรษฐีก็ช่างผู้เจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ทำนะชี้ทางพ้นทุกข์ให้เขาให้เขาได้ปัญญากลับบ้านอย่าให้เขาได้หลงเอาความหลงงมงายกลับบ้านนะอภิญยามีจริงอภิญยามีแปดเจ็ข้อนั้นเป็นโลกิยะอภิญยาทั้งนั้นมีข้อสุดท้ายทั้งนั้น เป็นโลกุตละอภิญญาคืออาสวะขยะยานยานรู้ว่า ด, ด้วยการกำจัดอาสวะกิเลสนะตอนนี้เราก็ไปหลงติดอภิญญาต่างๆและทำไปทำมาก็ทุกวันนี้ไม่มีอะไรทํานะเอาคำสอนพระพุทธเจ้าที่เป่งมาเป็นตัวหนังสือเนี่ยนะไปพิมพ์เหมือนตำราละเป็นสินค้าให้ทุกคนไปท่องจำคำสอนพพุทธเจ้าไม่ใช่ ไม่ใช่ไปต้องจําสิ่งที่ผู้เจ้าพู ด, พดต้องทําตามที่ผู้เจ้าทํารู้มากทุกมากมันเป็นขยะนะเ <_ T> มื่อเราเข้าถึงแล้วเราจะรู้ว่าเออเขาสมมุติว่ายังไงเราก็ไปอ่านดูเป็นชื่อแค่สมมุติมันไม่ใช่ความจริงแต่ตอนนี้มันโลกมันถึงจุดนี้แล้วนะกึ่งพุทธการมีการทํานายแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะมนุษย์เนี่ยเล่าลอนมาก กิเลสเยอะอยู่ดีๆก็ไปกินยาให้มันบ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ขมขืนยายตัวเองมันไม่ใช่มนุษย์แล้วเนาะตอนนี้มันเพี้ยนกันไปหมดละนะเพราะความอยากกิเลสมันขี่จรวดเราโม่จะต้มๆเติมเตียมอยู่จะรออะไรพวกคุณถามว่าจะรออะไรหรอนับถอยหลังนะ นับถอยหลังแล้วนะยิ่งสวนะผู้วุโสต่างๆเนี่ยมุ่งมั่นอย่าทำเล่นนะเราไม่มีเวลาแลวมัวแต่ไปทำอะไรก็ไม่รู้วางคำว่าวางถ้าไม่วางเดี๋ยวกิเลสมันจะอ้างเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่นะ วันนั้นผู้สูศวเราคนหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เดี๋ยวเขาจะอัดออกไป u t u b e เนาะเวลาพ่อครูหลานสาวจะแต่งงานอยู่กรุงเทพพ่อครูบอกเดี๋ยวหลานสาวก็ออกลูกเดี๋ยวก็เหลนจะแต่งงานอีกมาขณะนี้ยังไม่รู้จะปล่อยออกวางอยู่มีแต่ข้ออ้างบังเอิญเขาเดินไปปุ๊บก็เดินกลับมาว่าไม่ไปแล้วอนุโมทนาด้วยมันเป็นข้ออ้างท่านั้นแหละ วางไม่ลงก็อ้างโน่น อ, อ้างนี่นะชักเขยื่ออยู่นั่นน่ะมันจะไปไหนล่ะจิตส่งออกคือสมุทัยนะมันคือตัวตันหาผลของการส่งออกคือทุกขไม่มีเวลาแล้วถ้าจะเป็นเรื่องทางโลกแบบนั้นมันไม่มีวันจบหรอกลูกไม่พอตัวแล้วก็หลานอีกหลานยังไม่แต่งงานก็ตายไม่ลงอีกนะมันยังไม่มั่นคงนะ เออหลานแต่งงานก็ไปแต่งงานก็หลานยังเดี๋ยวมันออกลูกอีกแล้วไปดูเหลนอีกพวกเราถูกต่อว่านะบางคนบอกพวกจะสิ้นไร้ไม้ตอกไม่มีทางไปหมดอะไรตายอยากอับเซตผิดหวังในชีวิตเลยพวกนี้ถูกว่านะพวกคุยเองก็โดนนะบางคนก็ใช่สิ มีเินล้นฟ้าแล้วไงพร้อมแล้วไงบางคนบอกว่าใช่สิพร้อมบางคนบอกว่าสู้เขาไม่ได้ก็หนีมาพวกเราถูกต่อว่าหมดนะบางคนบอกเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดถ้าพวกเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเรากล่าวไหวทําไมเนี่ยพวกพุทธลูปเนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้านะเป็นสั ญ, ญลักษณ์เรากล่าวไหวเพราะเราลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ แล้วกราบไหว้ใครนะไม่ใช่ทิ้งครอบครัวทิ้งลูกเมียนะทิ้งแผ่นดินเลยล่ะเห็นแก่ตัวไหมถ้าพระองค์ไม่ทาอย่างนี้นี่ทุกวันนี้เราจะได้นั่งอยู่ที่นี่เหรอไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราต้องเคียมเนื้อเคียมตัวอย่าไปฝืนกฎแห่งกรรมใครใครทําคนนั้นก็ได้แล้วออกกําลังกายแล้วก็แข็งแรงเขาไม่ออกก็เรื่องของเขาเราจะแบ่งความแข็งแรงตัวนี้ไปให้กับคนที่เรารักก็ไม่ได้ มันเป็นบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวนะแต่ต้องเห็นความสำคัญของความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะอย่าปล่อยให้เวลานี่มันผ่านไปโดยใช่เหตุตายเปล่าเสียชาติเกิดสู้กิเลสตัวเองบ้างนี่เดี๋ยวมันก็อ้างเนื่องเดี๋ยวก็พี่ชายเดี๋ยวก็น้องชายเดี๋ยวก็ ลูกสาวเด็วก็หลานสาวอะไรเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะจบถ้าเราจะรอใจเขาบอกว่าบางคนว่าต้องปลดรหัสกรรมเนี่ยคุณต้องตายแล้วเกิดใหม่อีกหลายชาติเจ้ากรรมในายเวนคุณยังเป็นเทวดาอยู่เป็นเปรตสุรกายอยู่เป็นสัตว์หลายฉายเกิดยังไม่มาเกิดนะคุณจะไปใช้นี่กรรมยังไงโกหกนี่กรรมมันอยู่ข้างในเนี่ยขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเนี่ยล้างโปรแกรมกรรมเราเนี่ยเราไปล้างจิตใจคนอื่นไม่ได้ พระพุทธองค์ยังทําไม่ได้ใช่ไหมนะแต่พ่อคูยังติดตามอยู่นะพ่อคูยังไม่รู้ว่าแล้วสุดท้ายเทวทัตเนี่ยไปบวชได้ยังไงนะเทวทัตแกล้งเจ้าชายับมาตลอดพ่อครูกําลังตามอยู่ว่าเอ๊ะสุดท้ายจะไปบวชได้ยังไงบวชแล้วยังไปเล่นงานผู้ที่เจ้าอยู่นะเพราะมันเป็นกรรมร่วมขณะพระพุทธองค์เลยนะยังเอาไม่อยู่นะเทวทัตตกนรกเลย เ ห, ห็นถ้าอยูคนหนึ่งอาชาติสัตรูไหมผู้เจ้าเทศไม่ตื่นเห็นไมแล้วพวกเราเป็นใครกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันแม้กระทั่งยุคพุทธกาลก็มีแบบนี้เห็นเขาว่ายังไงเขาว่าเห็นมเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระโมคคลากลับพระไอ้รูปหนึ่งที่ท่านนั่งเน่นะเขาด่าเสียเสียหายนะขอทานบ้างหลอกลวงบ้าง โจรบ้างท่านอดได้พอเขาด่าไปถึงพระเจ้าเนี่ยทนไม่ได้ละไปด่าครูบาอาจารย์กลับไปพระเจ้ายัางตำหนิเลยว่าไม่ให้กระทำํำอย่าว่าเขาด่าเนี่ยเขาฆ่าพระองค์ทิ้งเลยเนี่ยก็ไม่ต้องโกรธมันเรื่องนี้ทําเล่นได้ไหมไม่ใช่เรื่องทําเล่นนะชีวิตเรากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เผ่เสริจเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะ ที่เมื่อกี้บอกว่าเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขเห็นไหมทุกข์เพราะคูเป็นเทวดาอยู่อเมริกาแล้วไงเป็นแล้วเห็นเลยว่ามันทุกข์มากเบื่อมากก็ไปเที่ยวมันก็ไปเที่ยวยังไม่ไปรู้เลยว่าจะไปทําอะไรเนี่ยมันทํามาหมดแล้วเทวดาเสพสุขเสพสุขเสพอยู่ น, นั่นแหะมันก็เบื่อไงทุกข์มากต้องเสพสุข ตอนนี้เขาบอกให้เราทำบุญขึ้นสวรรค์อย่าไปอีกเลยสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เรามาเดินทางเพื่อเข้าสู่อริยะสมบัติสวรรค์สมบัติสูงสุดเป็นแค่พรมพมวิหารที่อยู่ของพรมอุเบกขาของพรมนันยังกระทบอยู่เจ็บอยู่ แต่อาโุสิกรรมให้อภัยทานแต่ยังเก็บแล้วแต่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่เป็นอริยวิหารเนี่ยที่อยู่ของปาริยานอุเบกขาโดยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ต้องให้อภัยด้วยเพราะเราไม่ตัดสินว่าใครถูกใครผิดเราเป็นเทวดาหลายรอบแล้วนะกรรมดีเสพหมดเกิดมาวันแรกก็แหกปากลอง ถพมาสร้างกรรำใหม่ไม่ใช่ข้างบนนะลงไปข้างล่างอีกเนี่ยสามโลกธาตุนี้ยังไม่ปลอดภัยแต่มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเรามีร่างกายเล็กกว่าช้างเล็กกว่าแลดเล็กกว่าสัตว์บางหลายชนิดเล็กกว่าวัวเล็กกว่าควายแต่สมองเราตกว่า เราเป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นที่จเจริญวิปัสนาได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของเราแล้วเราจะปล่อยให้ความยิ่งใหญ่เราเนี่ยมันผ่านไปเฉยๆตายเปล่าหรือหมจะไปสร้างฐานะข้างนอกถามาเมื่อไหร่มันจะจบมันไม่มีวันเสร็จคนรวยที่สุดในโลกมันก็ยังไม่เสร็จไงยังไม่สาเร็จยังกลัวยังไม่อิสระกลัวจะเป็นที่สองอยู่แล้วเราจะไปเป็นที่เท่าไหร่ จะรอให้เหลนมันโตก่อนเนาะเราสร้างลูกมาเราต้องรับผิดชอบเขาเมื่อเขาโตแล้วเขาเลี้ยงตัวเองได้จบต่อก็เป็นกรรมของเขาบุญของเขาไม่ใช่ไปสร้างฐานายเขาอีกไม่ใช่ไปห่วงเขาอีกนั่นแหละห่วงเพี่ยงไม่เอกทิ้งยังห่วงอีกเนาะเวี่ยงทิ้ง เป็นทางเดียวเท่านั้นตัดวงจรจ่ายนี้กรรมทางจิตนี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปเพิ่มแค่สติเพิ่มสมาธินะไม่ใช่เกิดมาฝึกวิชาสติสมาธิไม่ใช่มาเรียนวิชาใดๆทั้งนั้นเรามาเดินทางต่อทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใส ไปเพิ่มสติเพิ่มสมาธิได้ได้ขัดเกาจิตให้ผ่องใสไหมถือศีลได้ไหมถือศีลเป็นแค่เกราะป้องกันอย่าไปทําความชั่วเฉยๆบางทีก็ถือถื อ, ถอหลุดๆลุมื อ, ถ, อถือสากปากถือศีลถือได้บ้างไม่ถือได้บ้างยังไม่ปลอดภัยต้องทําให้จิตมันเป็นศีล น, นี่แหละขัดเกาให้มันสะอาดแล้วเข้าสู่สภาวะเดิมของเขาเนี่ยศีลคือความปกติของจิต ตอนนั้นไม่ต้องอาศัยศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลปฏิโมกข์ศีลเหล่านี้เป็นแค่วิยัยแต่ศีลจริงๆเนี่ยจิตเรามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมนะทาซานไม่ต้องถือศีลห้าเขามีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมเขาไม่ต้องโกหกเพราะเขาไม่มีความอยากได้ของเรามันพูดภาษาก็ไม่เป็นเขาไม่กินเหล้าเขาไม่สูบบุหรี่เขามีศีลอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีความอยาก ศีนคือความปกติของจิตแต่ตอนนี้เราทำให้มันเปื้อนแล้วค่อยมาเอาศีนเนี่ยมาถือถื อ, ถอหุดหุดไม่ใช่ไม่ดีนะศีนตัวนี้เป็นวิ น, นัยเมื่อจิตมันสกรปรกก็อาศัยศีนตัวนี้มาเตือนสติทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีแต่มันยังไม่ปลอดภัยถ้าทำให้จิตเราเป็นศีนแล้วเข้าสู่สาภาวะเดิมของเขาแล้วไม่ต้องถือศีนมันไม่ทาชั่วแน่นอนที่เราทาชั่ว ต้นเหตุคือเรามีตัวสมุทัยตัวตันหาดับที่ต้นเหตุของมันโอเคนะหยุดดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่หยุดเนาะก็ใช้เวลาเกินไปหน่อยหนึ่งที่แรกคิดว่าจะเอาชั่วโมงหนึ่งก็พอก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาเตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข